Na yu no s <laughs> a l i n al m u s a l i ไป่ล่าฟุลฟิลมาชพูนฟ้าซันผู้ประทับฟ้าช้าหามักเป็นผ قامه الحوت وهو مل. คีอ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 من الكسل وسوء القبر ربي أعوز بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمي ع وعافني في ب ص ر ي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يحيي ا ق ي و م برحمتك أستغثث ي อัลล ل ฮ์ทรงอัลัชานีุ่ล له ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ นอกจากมีอุจจตอุจจตุนี้นบีอธิบายไว้สามอย่างหนึ่งกลัวสองฝนตกสามป่วยที่เราไม่มาโซเราเนี่ยตัวนี้อ้างป่วยได้ไหยได้นดะครับจะวแลกปลอดไปนามาคนเดียวลืมเก่ง ตับนมากับยามาเนี่ยไม่ค่อยลืมนอกจากอิหมามลืมสาเหตุที่ลืมเก่งเฉยตอนมันมันเล่นงานเต็มที่ก็ต้องระวังนะพยายามสลัเวลามาลมาดกับยามาที่มัสยิดให้มากที่สุดเฉยตอนมาทําอย่างงี้มันเอามือมันเนยรูปหลังลูปโปรเพลิดีนะ มันทำทุกวิธีนะเพราะเราลูบถูกลูบลูบลูบมานานเพลินพอเพลินนึกอ่าเออาบน้ํานมามียังวะมันนมานนี่น่ะอาบน้นํานมามียังถ้าบางคนไม่มีก็จะทำเดลิลาปลอดภัยวะเพราะเรื่องที่หนึ่งไม่ผ่านเรื่องที่สอมันก็ยุกอีกอะลูบเอหลังเอามือลูบหลังลูบหลังพอเราเพลินดีเชื่องดีแบบแพะแก ว, กวัวควายนะ พอเป็นเชื่อดีกว่าทำให้เรานึกอีกอนึกอนุ่นนึกนี่เกี่ยวกัอัดแล้ววะเนี่ยเรื่องที่สองเลนะเี่ยวกัอัดแล้ ว, นะออลวถ้าเราผ่านเรื่องนี้ผ่านไปเรื่องที่สามมันมาอีกพอเอามือลูบหลังลูบหลังลูบหลังพอเรารู้สึกเพลินเพินดีเลยจะง่วงอ่า ก็จะอ้าปากเวลาหาวเนี่ยมันอ้าปากใช่ไหมล่ะบางคนอ้าปากไม่เป็นถ้าไม่นึกถึงนบีเนี่ยก็อ้าปากกว้างเลยแล้วก็มีเสียงออกมาด้วยดังไงนะดังเอื้อกนะแล้วก็เอามือปิดปากไม่เป็นเพราะไม่เคยเรียนสุ น, านาัขนบีแอนตี้สุนัขนาบีมาตลอดอันนี้อย่าเอาอันนี้อย่าเอาโอ้อย่าให้เข้าโซราชนะพอเอามือปิดปากไม่เป็นนะชัตอนมันเข้าทั้งปาก เราไปไงมันหาวิธียังน้อยน่ะสามวิธีนะฉะนั้นเข้าใจกันง่ายๆว่าพยายามรักษานามากับจะมาพยายามนะดีที่สุดโอออกจากบ้านมีดูอาอ่านมาเดินมาก็มีดูอาอ่านเข้ามาสัสยิดก็มีดูอาอ่านเข้าห้องเข้ามาสัสยิดก็ด้วยเท้าและก่อนเท้าขวาก่อนมันมีมารยาทหมดเลยนั่นแหะคือสุนานารีทั้งหมด ดันั้นพยายามนำมากัระมยาัาวันนี้ขอบคุณน้องๆพี่น้องเราเมื่อวานยังไปเยี่ยมบา บ, บูบายมาเพื่อนรักกันผมทราบบาบูบายล่าควาฟังเหมานามาล่านะพยายามก็มเสียชีวิตแล้วตอนนี้อยู่ที่กุจราตกุจารต บ, บ้านเดิ ม, มนะเพื่อนผมนะั้นเพื่สนิจเลยนะ <laughs> อาราแกนี้กบาบูบายก็มันสบายนะ อ, นอให้หายไปๆอัลลอ้มัชฟีอัลลอฮฺมัชฟี ขอบณรล้อเรามาถึงส <s> um> <s> um> ุรัต์อัอฟัอายรัตที่ามสิบเจ็ดอายที่้าวอินนยูนุซาลา m al มุรสลินว่อินนยูนุซลา i n al มุรสลินอัลลอฮฺอัั ดูสับกรอดอินน้าเปว่าแท้จริงยูนุสดิมันชื่อชื่ อ, อยังไงชื่ อ, อยูนุสชื่อนบีนะนบียูนุสลามินัลมุรซาลีนเป็นอยู่ในหมู่ผู้ถูกส่งมาคนหนึ่งแน่นอนเป็นผู้ที่ ถูกส่งมาคนหนึ่งในหมู่พูดถูกส่งมาคนหนึ่งเป็นรซูลของอัลลอฮ์คนหนึ่งแน่นอนนี่เล่าให้ฟังเล่าให้น บ, บีฟังคนที่อ่านกูอ่า น, านรู้ภาษาอับบังก็สบายใจใช่ไหมอ๋อนี้ยูนุสเนี่ยเป็นน บ, บีที่อัลลอฮ์ส่งมาคนหนึ่งทีนี้ชื่อ น, บ, บ, น, น บ, บียูนุสมีอยู่สามชื่อด้วยกันชื่อที่หนึ่งก็คือยูนุสอะเลฮิสซาด ชื öh so ่อท <laughs> ี่สองจุนนูนจุนนูนจุนูนแบบว่าปลาชื่อที่สามซอฮิบุลฮุดซอฮิบุลฮุดฮุดแบบว่าปลาใหญ่นะซอฮิบุลฮุดชื่อนามียูนุสมีกี่ชื่อนะหนึ่งชื่อยูนุสชื่อที่สองจุนูนชื่อที่สามซอฮิบุลฮุด น บ, บียูนุสเนี่ยอัลลอฮ์สรงมาสอนศาสนาที่ประเทศอิรักนะแต่ว่าหมู่บ้านชื่อนีนีนาวาอยู่ใกล้กับแม่น้าดัจจัลลัคไคติมอ่า เ, เ, เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประชากรประมาณแสนกว่ามีประชากรประมาณแสนกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็ก แต่คนในหมู่บ้านนี่กราบจาเจวิตแล้วเมตตาพระส่งน บ, บียูนุสมาสอนน บ, บีทุกคนที่มาสอนเนี่ยเป็นยังไงทีทีท่เรเรียนฟันๆมานี่เชื่อกันหมส่วนใหญ่ไม่เชื่อด่ามัางขัดขวางบงสารพัดเลยอูนุสก็เหมือนกันพอสอนสอนสอนมันก็ด่ากันญาติพี่น้อง ก, กันทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ใครก็ก มันก็มาตีตทำนี้นู่นดานู่นด า, น, น, ดานี่สารพัดแหละสอนอยู่หลายปีเสร็จแล้วก็ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อนบะีนุกบอกว่าขอดูอาต่อว่าเราจะลงโทษองคนี้หน่อยแต่น บ, บีมุ h a m m ไม่เคยขอดูลาลงโทษใครนะสังเกต น, นะน บ, บีมันจะถูกรังแกกันไหนก็ตามจะต้องอบพยศจากนาครมกักกะไปอยู่มดีนะ้ แล้วก็ถูกคว้างไปเมืองตออีฟใช่ั้ยถูกดา่าถูกไล่ถูกคว้างไม่เคยขอดูอา ท, ทำลายกับขอดวอาว่าไงนะอัลลอฮุมมักฟิลลิกามีอัอินน่ฮุมลายาละมูนอัลลอจะพวกฉันเนี่ยเขาไม่รู้นะอาภัยโทษเขาก็ขาเขาเธอมิยูนุบบน์ก็ไม่ได้ขอดวอาให้อัลลอฮ์ทำลาย หลังจากนี้สามวันถ้าพวกแเองไม่รับนับถืออัลอิสลามไม่เลิกกราบเจเวทภายในสามวันนี้จะมีอดาดามมาจากอัลลอฮ์นบีนกุกเลยออกจากหมู่บ้านไปเลยเพราะว่านาบีเนี่ยบอกหนะพูดละพูดจริงหมดละพูดจริงพูดจริงพูดจริง ท่านก็ น, นึกว่าภายในสามวันหลังจากสามวันไปแล้วจะต้องมีมีอาสาบมาก็อาสาบมาจริงๆแต่มาแบบนี้เป็นควันเป็นสโมเป็นควันความมันมืดในชั้นฟ้าเนี่ยมืดหมดเลยบีร พ, พูดว่าเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแะ่ท้่ประชาชนประมาณแสนกว่าคนเมื่อเห็นควันมาตาพีูพนุษย์ ว, ว่าจะมีจะมีอาสาบมาใช่ไหมเริ่มเริ่มรู้สึกตัวว่า ตัวเองนี่ไปไม่รอดแน่ก็วิ่งมาหานาบียูนุสมาหาที่บ้านแต่ไม่เจอยูนุสก็ออกไปแล้วอพออาดับจะมาจะต้องออกก่อนมาล่อสั่งให้ออกไปก่อนพอมาหานาบียูนุสไม่เจอก็เลยชาวบ้านเนี่ยก็เสียใจกันเองรวมตัวกันเสียใจร้องไห้แล้วก็ เอาผู้หญิงเด็กๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยมาอยู่นอกบ้านในหมดมาอยู่กลางกางสนามเนี่ยมาอยู่กลางแจ้งเนี่ยแล้วก็ร้องไห้เสียใจเตาบ้าตัวอาบาบมาแล้วช่วยกันหน่อยเอาเด็กออกมาด้วยมาร้องไห้ร้องโหมผู้หญิงก็มาขอมาต่ออัลลอ์อัลล์เมตากุมชนเนี้ยนะเตาบ้าตัวสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์นบียุนุสอยู่ข้างนอกไม่รู้ วายาสี่น้องเนียเขาต้าบ้าตัวกันแล้วนะเขาเลิกก็กลับเนื้อกลับตัวกันแล้วนะนะเ บ, บรู้มั้ย <c oughs> ไม่รู้มาดูต่อไปอายาที่เท่าไหร่นะ <c oughs> อายาที่หนึ่ร้อยสีสิบอิดะบะกอิลัลอิอาบะกอิลัลฟุลกิลมาชฮุน อิอาบัคว่าอิลัลฟุลกิลมนอบ่อลัลฟลกมันน่เล่านให้นบีบุัมมดฟังพอนบียูนุสออกมาจากหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเนี่ยตะ巴ตัวนบียูนุสไม่รู้ออกมาจากบ้านแล้วไปไหนเนี่ย a l l เล่าเอ่ยอิเมื่อ อาบ้าก็เี่ยแปลว่าหนีเขาได้หนีหนีนดนีหรดีไไม่ดีบางคนก็บว่าดีบางคนว่าไม่ดีใช่ไหมเมียห น, นีออกจากบ้านดีเปล่าไม่ดีผัวหนีออกจากบ้านดีไหมไม่ดีแล้วก็นบีสั่งนะผัวนะห้ามหนีออกจากบ้านเวลาจ ะ, ะมี มีปากเสียงกับภรรยาเนี่ยให้ทำไงให้นั่งอะไรนั่งเฉยๆเมียบ่นมาก็ปล่อยๆอยบ่นไปเถอะจะบ่นสักกี่วันกันร้อยยี่สิบนาทีห้านาทีมันก็เบีบภรรยาแล้วยิ่งแก่ๆอายุหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยไม่มีแรงบ่นแล้วไอ้เรื่องหนีเนี่ยไม่ดีเมียห น, นีออกจากบ้านก็ไม่ดีลูกหนีออกจากบ้านก็ไม่ดีก็หลายคนโทรศัพท์มาหผมลูกไม่กล้า บ, บ้านสามวันสี่วันแล้ว เป็นห่วงเครียดนาบีนุ่นนี่หนีนะอนเล่านะอิสอาบากา อ, อ่าไปไหนครับอิลัลฟุลกีอีลาแปลว่าไปยังอันฟุลกีแปลว่าเรือหนีไปที่ช้ทะเลสิเพราะเรือมันอยู่ชทะเลก็หมูหม่บ้านนี้มันอยู่ติดกับทะเลอ่าอยู่กับแม่น้ำใหญ่แม่นม้ำไทคริสเนี่ยก็เรือสิ้งข้ามมันจอดอยู่เนี่ย ก็หนีออกจากหมู่บ้านกําลังทํางานศาสนาอยู่นี่นะหนีนะญาติพี่น้องอยู่ข้างในเต่บาตัวนบะีรุตไม่รู้ยังไงก็เลยหนีนึกว่าอาซามาแล้วหนีไปลงเรืออิลันฟุลกินหนีไปลงเรืออลัลลอฮ์เล่าอีกอัลมาชูนเรือที่เพียบแปรเรือที่มีสินค้าเต็มไปหมดเลย นี่เล่าให้ฟังเล่าถึงว่าคนในสมัยเก่อนแล้วก็ใช้เรือกันใช่ไหมนะตาต่องต้องเขจายตรงนี้ด้วยสมัยก่อนเขาใช้เรือกันชั้นบินไม่มีมีเรือมีเรือมีเรือมีเรือแล้วเรือแล้วเรือที่อะไรขนสินค้าแบบมัชบอกเ้ยว่าแปรเขาของเต็มไปหมดเลยนัีนไปยุนนั่ก็ขึ้นเรือทีนี้พอขึ้นเรือไปนี่เป็นเรองกับ ในคำพีคุรานอธิบายบอกว่าเมื่อขึ้นเรือแล้วเนี่ยนะเรือมันไปไม่ไหวพอออกไปได้กลางทางเนี่ยลมพายุมาพอลมพายุมานี่ก็จะไปข้างหน้าก็ไม่ได้ใจท้องไหลถอยหลังก็ไม่ได้พวกกะลาเสีเรือเนี่ยประชุมกันว่ า, านี่ต้องมีคนต้องออกคนหนึ่งนะคนเกินมาเนี่ย แล้วเขรู้ด้วยนะว่าในเรือเนี่ยคนที่มานี่นะคนหนีมามีคนหนีจากเจ้านายมาพือนุรู้เลยฉันแน่ๆเลยงานเนี่ยเพราะอัลลอฮฺยังไม่ได้สั่งให้หนีหนีทําไมเนี่ยอันนี้นะเรื่องนี้นะนบีอุมดรู้เพอร้อนเล่าให้ฟังมาหนีก่อนัลลอฮ์สั่งนี่ไม่ได้นบีเลยสอนบอาว่า อย่าไปพูดว่าฉันเนี่ยดีกว่านบียูนุสอามายัมบารีหรือับดินไม่อนุญาตให้คนในยุคนบีมุ hammad พูดว่าอาณาคอยรุมมินยูนุสฉันเนี่ยดีกว่ายูนุสจะเป็นใครก็ตามอาเลมอละมาตัวครูอย่าพูดว่าฉันดีกว่ายูนุสนะอธิวะฉันนี่ไม่เคยหนีพวกนะฉันนี่ไม่เคยหนีกลุ่มเนี่ยฉันหยุด ถูกทำร้ายยังไงถูกรังแกแบบนั้นไม่เคยทิ้งศาสนาไม่เคยทิ้งพวกอยู่ในพวกอย่าไปพูดว่าฉันดีกว่ายูนูสพูดอย่างนี้ไม่ได้นี่นบีสอนอไว้นะอย่าไปไปเทียบเทียบกันนบีนบีเขายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้มันนบียูนูสหนีไปไปน้อครับทีตอนทีตอนลงเรือนี่นะคุณอ่านอธิบายอย่างนี้นะครับ วณนุน إذ ذهب مغضبا فظن ألا نقدر عليه فنادفه لما نبي يون ุสเนี่ยเข้าใจว่าอัลลอ์เนี่ยนะจะไม่ทำให้น บ, บีย و ุสเนี่ยพบกับความลำบากที่ลงเรือไปเนี่ยนะใจก็ น, นึกอัลลอ์ให้ฉันปลอดภยัยแน่นนนี่แต่อัลลอ์เล่านะเองคิดผิดต้องการจะบอกน บ, บ, บีบอกพวกเราว่า มนุษย์ที่คิดอะไรอยู่ในใจเนี่อลรู้ไหมนี่สอนเรานะสอนนบีด้วยอัลลอฮ์เนี่ยรู้ล่าให้นบีฟังวันยูนุสนี่นะคิดในใจว่าอัลลอฮนักดีรออะไรฮิอัลลอฮ์จะไม่ทําให้นบียูนุสเนี่ยพบกับความลําบากลงเรือไปแล้วน้มันนาว่าจะปลอดภัยใช่ไหมความลําบากมาเลยจับฉลากเอาคนออกคนหนึ่ง อุดมคุณนะครับฟาซาฮามาฟาคานามินัลมุฮับบินฟาซาฮามาฟาคานามินัลมุฮับบินนี่อัลลอฮ์เล่าละเอียดนะเราให้นบีมุฮัมหมัดฟังให้พวกเราฟังซาฮามาแปลว่าอะไรนะเสียงทาย เอาคนมาเสี่ยงทายเอาออกคนหนึ่งเสียยเส่ยงทายเสี่ยงทายวิธีวิธีไม่ให้เรือมันจ ม, มอ่ะเราด้วยนะต้อเอาสินค้าด้วยนะต้องเอาสินค้าออกจะไม่เอาคนออกแต่รีดตองการจะอธิบายว่าเอาคนออกใช่ไหมหรือเอาสินค้าออกเห็นไหมฟาซาห์มาร่วมกันเสี่ยงทายนะ มินัลมุดฮาดดนพอเรือมันแปลเต็มที่แล้วแล้วก็ลงพายุมาด้วยเดินข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ก็จับอะไรนะจับฉลากเสี่ยงทายกันฟาก้านะมินัลมุดฮดินมุดฮัตแปลว่าพลาดเป็นผู้ที่เสี่ยงทายแล้วก็พลาดทุกทีเนยบิยูนุษนี่นะจับฉลากที่ได้นะ ออกจากยูนุสชื่อยูนุสยูนุสยูนุสถึงถึงสามครั้งตอเสียอธิบายว่าจับจับฉลาดเนี่ยเสียงท้ายเนี่ยสามครั้งนบียูนุสนี่เป็นผู้ที่พลาดหมดเลยจับครั้งที่หนึ่งก็ชื่อท่านต้องต้องกระโดดจากจเรือครั้งที่สองก็พลาดอีกครั้งที่สามพลาดอีกอล้อนเล่าเลยดอฮานาเนี่ยอ่า ดาฮาดดาฮาดดาฮานี่แปลว่าเขาแพ้หรือเขาเขาพลาดมุดฮาดีเนี่ยมาจากศัพท์คำว่าดาฮาดดานฮาดอดาฮาเนี่ยเขาพลาดเขาแพ้เขาจับชาาแล้วชื่อออกทุกทีเลยต้องจะต้องลงจากเรือเขาคิดที่แรกว่าลอร์จะรักษาเขาดูแลให้ปลอดภัยแต่เขาคิดผิด อรวอารฉันต้องการจะให้เขาลำบากอีกอย่างนึงก็อีกอย่างนึงก็ใจร้อนเนี่ยดีเลยไม่ดีไม่ดีนะนี่ใจร้อนแล้วคนที่ใจร้อนนี่ลูกของนบียากูบยากูบมีภรยาสองคนนะภรยาคนแรกเนี่ยมีลูกสิบคนนะ เยอะน่สุดคนน่ะพยาคนที่สองมีลูกสองคนมียูซุปกับเบนยาเมนเนี่ยนี่อร่อยก่อนจะเล่าอ่ะพวกบรรดอิสราเอลนบีมาเยอะการที่นบีมาเยอะเยอะนแทนที่จะนอบน้อมถ่อมตนแบบอาหรับมีนบีมาคนเดียวทั้งโลกที่เชื่อนบีคนเดียวมาแค่คนเดียวนี่นะหัวใจของบรรดาที่เชื่อนบีเนี่ย นมนวนหมดเลยอะแต่ตรงกันข้างกับพวกบันิอิสรอีนมีนบีมาแล้วมาเล่ามาแล้วมาเล่ามีเป็นแสนแสนใช่ไหมละ่ะแต่ทําไมหัวใจกระด้างขนาดนี้ทําไมสารพัดตามมาเต็มท ห, หมดเลยต้องการจะอธิบายว่ากุณานเล่มนี้ช่วยคนไม่ให้ตกนรกนี่เล่มนี้เห็นไหม ต้องการจะบอกว่ายุคสุดท้ายของนบีมุฮัมมัดนั้นคนที่ยึดอร่อยยึดรอซูลมุฮัมมัดเป็นแบบเนี่ยนะแต่ยึดกักุรอานปลอดภัยจากการลงโทษตั้งแต่ในในในกูโบ่เรื่อยไปถึงอลัลลอบัซซารเข้าสมุทร อ, อันี้นกะุรอานเล่มเดียวกับช่วยละต้องการจะติงเหมือนกันด้วยวบันีอิสราอีนเนี่ยคำพีมาก็าหลายเล่มใช่ไหมนะกาบูตอินจินนั่นมีมาม า, มาหมดสมงนบีมาจังเยอะเยอะแต่ทําไมอนะ่ะ มันได้โหดถึงขนาดนี้อา้าวพี่ชายของนบียูซุฟนะกี่คนสิบคนนี่มากวางแผนใช่ไหมทำลายใครทำลายใครทำลายยูซุฟจับนบียูซุฟไ ป, ปโยนใส่บ่่นี่เล่าอย่างนี้ต้องการจะอธิบายว่าแต่ว่านาบีที่มาก่อนหน้าเนี่ยช่วยพวกนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะ แต่น บ, บีมัชมาคนเดียวเนี่ยนี่เราหากัร น, น, น บ, บีต่ายพันสี่ร้อยปีคนที่ยึดกุณอ่านยึดศูนย์หนา น, น บ, บีโรดหมดเลยทำโดยละสง่างามไปอยู่ตรงไหนของโลกก็ได้ครับทําให้โล่งเจริญหมู่บ้านเจริญหมดเลยทำโดยดีเลยนี่เอาล่ะเล่าประเพณีคุณอ่านอ่านนบีอูนนบบบบซุกเนี่ยเหนื่อยนะถูกโยสหรายบอสาปดแล้วก็แาดแล้วก็มีอะไรนะซื้อไปเป็นลูกบุญธรรม แล้วก็ติดคุกแล้วออกมามาเป็นโอโลลยาวหมดเลยยังไงเพราะพี่ชายยังไใจรอ้อจะดีกว่าไม่ได้เดี๋ดีกว่าไม่ได้เด่นกว่าไม่ได้นี่ลักษณะของบันนีอิสราเอลใครเด่นกว่าไม่ได้ต้องการจะอธิบายว่าบันนีอิสราเอล น, นั้นเป็นกลุ่มชนที่อะไรอะก็ตำหนินะนะุดเบาๆก็แล้วกันร <laughs> ับดกุลลาน ฟาซาหมาฟะการะม่หนัลมูดฮนฟหะไม่่ดฮนาหอบิสอบนอัลบาสบอกว่าจับฉลาก ร, รวมกันเสียงไทยดาคาบอแปลว่าเขาแพ้เขาพลาด เสียงไทยเนี่ยสามครั้งออกมาเสียงที่ออกมาทําไทยออกมายูนุดถึงสามครั้งด้วยกันยูนุดก็ต้องออกจากเรื อ, อพอออกจากเรือเสร็จแล้วนะออกยังไงาคุณอ่านไม่ได้เล่าน่าจะกระโจนออกเรือ่องมกระจับโยนออกอ่าน่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามถูกโยนออกมาระเรือแล้ววันร้อนเล่าต่อฟัตกมุล วะหัวมาลีมฟัตกมาฟันตักมาหูอิลตักมาหูฟัตักมาหุหลวูดวะวมาลีมอิลตักมาเนี่ยฟาแปลว่าดังนั้นอิลตะกมาแปลว่าขมือขมืออิลตะกมา ตับเริ่มมันลากรามาเนี่แปลว่ากลืนเข้าไปลากรมาแปลว่ากลืนกินน้องทานข้าวก็กลืนลงไปใช่ไหมใช่ลากรมาลุกมาอาลุกมาเป็นคําเป็นคําเป็นคําเป็นคําอลตากรามาขามือบเขาอะไรเหมือครับอัลฮูตแปล ว, ว่าปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ได้ขเขมือบเขา อัลลอฮ์ เ, เล่าให้น บ, บีกมุมารฟังนคนที่เรียนภาษาอรับได้ได้ศัพท์อ่ะดแปว่าปลาอิลตาก้องไปว่าคำเมือบคำเมือบเข้าไปลงไปไหนไหนนึกภาพเองอัลลอ์ไม่ได้บอกลงไปไหนไหนในทองตอนจะออกตอนออกจากจากกหมู่บ้านว่าอัลลอ์ช่วยแน่อัลลอ์เล่าเองอ่ะคิดผิด พอกระโจนออกมาจากเรืออัลลอฮฺเอาเอาปลามาขมืออับพอถูกขมือบเสร็จแล้วใจนึกอะไรวะฮูวะมาลีมเขาเป็นผููตําหนิตําหนิใครตําหนิตัวเองพอปลากืนเข้าไปในท้องปับเนี่ยนบียูนุสอยู่ในท้องปลานึกอะไรรลยมั้งนึกตําหนิตัวเอง อัลมาสมาอธิบายว่าตําหนิตัวเองกับตําหนิคนอื่นอันไหนดีกว่ากันฮะตัวเองน่ะนี่ตกลงจะสอนพวกเราอย่าตําหนิใครเลยนะ่กะก็โยนําบิยูนุษเป็นแบบเนี่ยพาปลากินกระไปในทองเนี่ยตําหนิตัวเองเพื่อจะบอกพวกเราว่าอย่าไปตําหนิคนอื่น ทีเอ็งมาเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้โทษเอ็งกัละเอ็งกัละเอ็งกัละโอ้ไม่ใช่ทำในตัวเองเอ็งทําอะไรผิดมาบ้างหรือเปล่าในตัวควรเช็กดูการเจอไข้ได้ป่วยแต่ละครั้งในกระบวนการต้องนึกนอ่ะเออป่วยเพราะอะไรอะต้องนึกอ่ะไปกูงเงินกัน บ, บ้างหรือเปล่าดา่าใครบ้างหรือเปล่ากินอาหารผิดประเภทมันต้องนึกหมดเลยอ่ะ ฉะนั้นมาลีมเนี่ย ว, ว่าตําหนิมาจากลาวม า, ามาโลตําหนิตําหนิตัวเองดีที่สุดนี่อัลลอฮ์เล่ากันไรอ่านสั์แต่ละคํานะมูลีมตอนที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยวะฮูวามูลีมเขาเป็นผู้ตําหนิตัวเอง <c oughs> ตําหนิที่ออกมาจากหมู่บ้านโดยไม่ได้ขออนุญาต จ, จากบล็อกสุภาณะหูอัลลาห์ววาอลัลลอฮ์ยังไม่ได้อนุญาตเลยอะ ขอดูอาให้อัลลอฮ์ลงโทษอัลลอฮ์รับดูอาพอโทษจะมาจริงๆชาวบ้านเขากลับเนื้อกลับตัวกันนะ่ะอลัลลอฮ์ก็ยกโทษไปยกอาญาไปนบีมูยูนุสไม่รู้นี่ไงแสดงว่าตัวเองผิดแล้วใช่ไหมตัวเองผิดผิดผิดมาลีมาว่าตําหนิตัวเองนี่สอนให้เรานะตําหนิตัวเองดีกว่านะี่ไอ้อ้างนะอ้างได้ไม่มาสู้เราเพราะ โควิดถ้าโควิดหายไม่มาเองก็จะอ้างอะไรล่ะอ้างป่วยพอ้างได้นะ <laughs> ถ้าฝนตกกับฝนตกอ้างได้ถ้าสามรายการยังมีเองไม่มามาเองแก้ตัวยังไงกับออลลอฮฺฮะมดีล่ะอ <laughs> ัอมาครับวะวายุลามอะล่าฮิมินะฮิจราบิรไบรอิสเนาะบิฮิเนอุลมากอธิบายว่า เขาตำหนีตัวเองที่ออกจากหมู่บ้านหนีออกมาเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดออกจากมักกะไปนครเบนานาไปเองหรือว่าอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งนะมุฮัมมัดออกให้มิจบรีลงมาเอาออกออกแต่นั้นใครที่ออกจากงานทิ้งงานศาสนานี่ยนะถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งให้อย่าทำยืนหยัดยืนหยัดยืนหยัด ยืนหยัดแต่ต้องอดทนด้วยนะยืนหยัดอย่างเดียวไม่อดทนไปรอดไหนแล้วก็ห้ามบ่นด้วยอ่ะห้ามบน่นอุปสรรคที่มาหาเราเนี่ยห้ามบน่นมันมีสามสามรายการก็อธิบายดีนะอัลลอฮฺอธิบายว่าแบบของที่อลัลลอฮฺให้มาสามรายการย่าบน่นอะไรใช่ไหมป่วยจน แล้วก็มีบัละเข้ามามีความเดือดร้อนเข้ามาอย่าโบนครับน้อมรับด้วยความเต็มใจสบายไหมล่ะรอดครับมากฉะนั้นอย่าไปโบนอย่าไปตําหนิของที่อัลลอฮฺประทานให้กับเราสามรายการในเรื่องใหญ่จะสูดนาะหนึ่งมีบัลลมาสองมีอะไรมานะมีป่วยมาสามมีเงินขาดแคลนทุกคนเจอกันหมดนะฮามดุลิลลานี่ชีวิตคนที่อยู่กับอัลกุรอานเนี่ย a l ชิ h ج ตของเขาเจอ ا ล ح م ่ ل อักวั ر ถามว่าตอนที่นบียูนุตาํตาตำาหนิกตัวเองเนี่ยนึกในใจนะไม่ได้ พ, พูดออกมาเป็นอะไร น, นะเ ป, นเป็นวาจาด้วยนะนึกอรอฉันเนี่ยผิดไปแล้วนะลลอัลลอฮัดมดีละเอาต่อมาครับ น บ, บีมุฮัมมัดนะอธิบายดิน บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยถูกถูกถู ก, ถกรำแกจากหญิงยิว่หลายครั้งนะครั้งที่มีคนพูดมากที่สุดก็คือถูกโยนเอาขยะใส่ศีรษะน บ, บีเสียหน้าน่ะถ้าเราไม่เรียนประวัติตรงนี้นะเราก็ใครมาด่าเราเอานู่นใส่ใน เ, เราเราโมโหน่ะเครียดน่ะ แต่นึกถึงนบีนี่ทำให้สบายใจำลยลราอโอนบีถูกเยอะมากนาบีให้อภัยนบีไม่เอาเรื่องเห็นอย่างครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่กระวนการเรียนศาสนาเนี่ยสำคัญนะมีคนพูดว่าส่งลูกเรียนศาสนาทำให้ลำบากบนบุญญา ดุนยาลำบากนะส่วนใหญ่นะทปเรียนทำไมศาสนาหาจะทำอะไรกินแต่การไม่รู้ศาสนาเลยเนี่ยมันจะลำบากในโลกโลกไหนอันลงตายดูสิอยู่บนดุนยานี่นะไม่ให้ลูกเรียนศาสนากลัวจะอยู่ลำบาก ไม่มีศาสนาแล้วไปหาอัลลอฮ์ในกุโบน ล, ลำบากยิ่งกว่าโลกดุนยาไม่รู้กี่แสนเท่าว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เห็นจะเล่าให้ผ่านผ่านนบีมาหมาดท่านนบีมาสอนเห็นยังครับท่านศาสนาเรียนเถอะจบปัญญาโทแล้วเรียนได้ไหมได้จบด็อกเตอร์แล้วเรียนได้ไหมได้อ ย, ย่าหยุดการไม่มีศาสนาบนโลกดุนยานี่นะนะครับ มันอยู่สบายอยู่แล้วนะี่ยเรามีศาสนาเนี่ยแต่ไม่มีศาสนาแล้วตาย Vatic, dedans, นีน่หนักมากเลยครับอันตรายมากเลยอตมัสักฟาลาอลลกนมินัลมุับดิฮินฟลาอลากนามินัลมุซับบิฮีนถามว่านบียูนุสเนี่ยอยู่ในถังปลากี่วัน นักทัศนี่ อ, อธิบายไว้นะท่านบางคนท่านยาฟัดบินซอดิกอธิบายว่ามีอยู่เจ็ดวันท่านอิมามมาลิกที่อเมาบูดาวดบอกว่านั้นสี่สิบวั น, น, นะวนบางคนว่าอยู่สามวันเอาใครจะว่าสามก็ได้ใครจะว่าเจ็ดวันก็ได้ใครจะว่าสี่สิบวันก็ได้ไดเอาเอาไป อยู่ซี่สิบาเนี่ยเนี่ยตัวเองน่าดีนะเดี๋ยวทำนี้เดี๋ยวทำนีำน้แบบคนในกูโบูนี้แ่น่ะไม่มีศาสนาแล้วตายเนี่ยรู้บามายวัดดุลาดีนกฟรูแล้วกาโมุสลิมอัลลอฮ์เล่าเองนะบ่อยครั้งเหลือเกินคนที่ไม่มีศาสนาแล้วตายเนี่ยบ่นว่าอยากจะเป็นมุสลิมก่อนตายไม่รู้วันละกี่กี่แสนครั้งน่ะนอนอยู่ในกูบ เดี๋ยวบนเดี๋ยวบนเดี๋ยวบนอยากแล้วอยากเป็นมุสลิมก่อนตายจังเลย <c oughs> เอาเอาต่อมาครับเอาลองเล่าให้ฟังนะครับอยู่ในท่อปลาอาจจะเป็น 40, 40 70, หรือ7หรือ3ามก็ตามนะปลาคลายออกมาทำไมฟาลาุลละกะนามินัลมุซับบิฮีนถ้าหากอ่า เล่าว่าว่าถ้าหากลาแปลว่าไม่ถ้าหากนบียูนุสไม่ใช่เป็นคนที่มีนลมุซาเบฮหมุซาเบแปลว่าผู้สรรเสริญยกย่องสดุดีอัลลอฮ์ถ้าหากนบียูนุสเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่นึกถึงอัลลอฮ์มาก่อนไม่ใช่เป็นคนที่สรรเสริญต่ออัลลอฮ์มาก่อนโยงกับอัลลอฮ์มาก่อนหัวใจนะ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะถ้าไม่โยงมาก่อนนะอาจารย์จะอธิบายว่าเอาหัวใจโยงกับอนะัลลอฮ์น่ยดีหรือแลวดีมาดีนะดีแน่แครับนีเรื่องจริงอะ่ะเนี่อัลลอฮ์เล่าเลยให้นบีเขมาฟังให้พวกเราฟังอะ่ะ ف ل ا ม ل น كا نميل مصابين ถ้าหากนาบีอยู่นุ้นี่นะไม่เอาหัวใจโยงกับอัลลอฮ์ก่อนที่จะไปอยู่ในท่องปลานี่นะ ก่อนจะลงเรือเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่โยงกับอัลลอ์เนี่ยนะอัลลอฮ์เล่าเองเนะเองจะอยู่ในท้องปลาตลอดจนู่ทั้ ง, งวันวันกิยามัิแต่ให้ปลาคลายออกมาเพราะนาบียูนุสนัด น, นึกถึงอัลลอ์ก่อนที่จะถูกโยนใส่ใส่ทะเลตอนอยู่บนบกนะ่ะนึกถึงอัอล ล, ล, ลอ์ตลอดสวดสารศาสนาไปด้วยชมอัลลอ์ไปด้วยอุลมะอธิบายอย่างนี้ มุซับเบฮีนี่นว่ามุซลลีนยืนนมาดอยู่เป็นประจำนมาดไม่ขาดแต่้ามันนมาดในี้มานานแล้วนะแต่วิธีนมาดแบบไหนเราไม่รู้ไนงะจากนั้นนมาดไม่ขาดต้องการจะชมว่านาบียูนุสไม่เคยขาดนมาดเลยเพราะสรรเสริญต่ออัลลอฮ์มุซับเบฮีบางคนแปลว่าไงนะอ่านซุบฮานัลลอฮฺอัลฮะมดุลิลลาห์ลาอิล้ิลลัลลอฮอัลลอฮบตล ระหว่างที่ทำงานศาสนามานี่ไม่เคยลืมอัลลอฮเลยปากพูดชมอัลลอฮ์เปียกชุ่มด้วยการนึกถึงอัลละฮ์ตลอดเวลามุซับเบียสุฮานัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์สั่งนบีอีกนะถามว่าสุฮานัลลอฮ์นะให้ว่าเยอะๆตอนไหนยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮีอัฟวาจา เมื่อคนมารับถืออิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อวานหมอ่านดูคลิปอีกอีกสิปีข้างหน้าหรือยี่สิบปีอะไรเนี่ยประชากรมุสลิมจะเพิ่มเป็นอันดับหนึ่มใช่ไไหมแลว้วก็อันดับสองคริสเตียนศาสนาพุทธคนจะลดลงเขาอธิบายว่าสาเหตุที่มุสลิมประชากรเยอะเนี่ยนะ เพราะมีพระญาสี่คนนะสองมีลูกไม่คุมกำเนิดแต่ไม่มีใครคิดว่ารับอิสลามกันวันละกี่คนไม่มีใครพูดนะเสียเสียเสียพอรอมนะก็ลปล่อยไปอวิญญาเก็ไปอ็นนี้ปัญหาเอาล็อกคุกอยู่ทําม่ลินละพี่น้องตลงว่าศาสตราเสด็จลราดีไหมไม่ดี ดีมากๆวันนี้อิสลามจะเจริญ น, นนะะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเพราะคนรู้จักแล้วว่าถ้าไม่เอาศาสนาเข้าบ้านมันไปไม่รอดนะไม่เอาโซน่าอับเบียเข้าบ้านเน่ไปไม่รอดนะมันมีอยู่ภาพหนึ่งนะภาพคนที่ติดโรคโควิดเนี่ยหายใจมันอุดอายใจไม่ออกนะเข้าไม่เอาภผ้า่าบเวลานั่งก้มหัวนั่งก้มหัวไปที่พื้นเนี่ย หายใจออกเอาหัวก้มมาที่พื้นหายใจออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเกิดยังเองต้องสูญยุดเ ย, ด ย, ดยดอะๆโรคโควิดมาเองไม่สูอยุดเองไปไม่รอด จ, จะจะจะรู้สึกตัวกี่คนอีเรื่องหนึ่ง น, นะ <c oughs> ก็ปล่อยไปเรามีหน้าที่อธิบายให้พวกเราฟังกันเองครับ ก็นักก็นามินัลมูซาบิฮินถ้าหากนบีอุลヌสไม่ใช่เป็นอัลลอส ร, รสสเสต่อลยงกับลมาก่อนนี่นะอมอธิบายนบี อ, อย่างตอนตฟอิลลอคตอนอยู่สบายสบายนึกถึงอลลอย ะ, ยะ ยาฤกฟุกะฟิช so ิดะอัลลอฮ์ก็จะรู้จักเราตอนเราลาบากนี่เตือนนะเรานี่อยู่สบายขนาดนี้ทั้งที่โรคโควิดมาเราก็ไม่ทิ้งนมานะฉะนั้นตอนอยู่สบายๆเนี่ยอย่าลืมอัลลอ์ตอนอยู่สบายๆบริจาคสม่ำเสมอตอนอยู่สบายๆนี่นำมายาขาดตอนอยู่สบายๆขอดธิาตอนอยู่สบายๆฟิกรุลลอห์ ตอนอยู่สบายๆติดต่อกับญาติพี่น้องตอนลำบากเอเล็กก็จะช่วยแก้ปัญหาของเราไม่ให้เจอปัญหานักกว่าที่เรานี่ยพออยูนู้นในคอนเจนคนที่มันต้องตายแล้วงานนี้ใช่ไหมละ่ะอยู่ในท้องปลาเนี่ยมีใครบ้างที่ที่เอเล็กสั่งให้ปลาคายออกมาเนี่ยไม่มีหรอกมีอยู่คนเดียวล่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องการจะเตือนคนอ่านคนุรานเตือนนบีสอนให้คนนั่นรู้จักฉันนะ ถ้ารู้จักเอาล็อเยอะๆนะในอินชาอัลลอฮก็ลำบากนะเจอไหมเจอแต่เจอไม่หนักจนนะจนจะจ น, จ น, จนสองวันสามันเดี๋ยวเราจะส่งคนมาช่วยไงปัญหามีไหมมีครับแต่ว่าอยู่ไม่นานเห็นไหมที่เจอแล้วตายเลยนะฟาโร่ก็รูนรวยก็รูนรวยไหมรวยเจอปัญหารอดไหม บรรดาอบลลอฮก็ทุกคนขณะอยู่ในท้องปลาปายคลายออกเพราะเพราะหัวใจที่โยงกับอัลลอฮฺก่อนที่จะลงอยู่ในท้องปลาเตือนเตือนพวกเราคนอย่าแกงอย่าเย่อหยิงอย่าจองหอยอย่าขวัดีนในมุซับเบฮีนอธิบายอย่างนี้นะครับตอนอยู่ในท้องปลานี่นะนบลอยูนุ่อ่านอุด้าบทไหนกูป لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ท่านอันัสบินมาลิกระเบียร์รอฮานูได้เล่ารายงานจากท่านนบีบว่านบียูนุษในขณะที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยอ่านดุอาว่าอัลลอฮุมะลาอิลาห์อิลลา أنت سبحانك إني كنت من ا ل ظ ا ل م ي น เสียงด ع ا ء ของนบีรุตขึ้นไปบนชั้นฟ้านั่นเลยที่บลาลังอัลลอฮ์นันะ่นน่ะอัลลอฮ์ได้ยินเลยความจริงถึงจะไม่อ่านอาลัลลอฮ์ก็รู้อย่ากนั้นจะเล่าให้เราฟังว่าด ع อามันขึ้นไปข้างบนนะ่ะแล้วก็มะลายิกาเนี่ยอยู่รอบรอบอลัลลอฮ์เนี่ยถามมาว่านี่มันเสียงใครเสียงมันยังกคนไม่สบายอ่ะธรรมดาเนี่เสียงนี้น่ยมันคุ้นหูอยู่นะ เสียงของคนนี้นะ่ะเสียงของยูนุสเนี่ยมันคุ้นหูฉันนะแต่วันนี้เสียงดูมันเบาๆไปเสียงใครเสียงแบบคนคนป่วยนะอัลลอฮฺว่าวยูนุสอ้าวเป็นอะไรลนะ่ะอัลลอฮ์ก็เล่าให้มลายกาฟังนะอยู่ในท้อมปลานะ่มะมลายกาว่าอัลลอฮ์ไม่ช่วยเรอบอกช่วยนี่ตรงนี้เป็นความรู้อีกอย่างนะดวงอาของเราทั้งหมด อยู่บนโลกดุนยาใบนี้อ่านค่อยๆเสียงถึงข้างบนสุยุทธนะพี่น้องครับสุบฮานรเ บ, บียนาลาว่าคนเดียวนะพี่น้องแต่ข้างบนเห็นยังครับท่านนํามายาคารขอเยอะๆขอให้ตัวเองขอให้ภรรยาขอให้ลูกขอให้นูนขอให้นีมนัอัลลอฮฺแห่งอันนี้นบีดูท้องขอดูอาอยู่ในท้องปลามืดกี่มืด หนึ่งมืดอยู่ในอะไรอยู่ในท้องแบบเด็กที่อยู่ในครรนมารดาเนี่ยเด็กอยู่ในมดลูกสองอยู่ในอยู่ในท้องปลาสามอยู่ในน้ําทะเลสี่ในเวลากลางคืนอีกอลยยงได้ยินในข้างบนนะ่ะพรอย่างครับนี่เตือนแล้วว่าขอด้อาอนต่ออัลลอฮฺอัอลลอฮฺได้อลัลลอฮฺรู้หมดแล้วขึ้นข้างบนหมดด้อาอนขึ้นข้างบนหมดเลยครับ ขึ้นหมดขึ้นหมดขึ้นหมดดีได้ไม่ดีถ้าไม่เราสบานี่เรื่องอย่างนี้ไป น, นะเรื่องเองอะไรนะเรื่องความลับเรื่องอันซีนน่ะถ้าอัลลอ์ไม่เล่านันกผู อ, อ่านจะรู้ได้ไงอ่ะเพราะความสามารถของมนุษย์ ม, ม, มีจำกัดนิดเดียวทำดูเลยเลยอัลลอฮ์ก็ในตัฟฟีตอธิบายวันอาทิตย์ว่าอัลลอฮ์สั่งให้ปลาเนี่ยคลายออกมาต่อมาครับ ลาลาบิซาฟีบะกนีฮอิลัยยูมยุบะซุนลาลาบิซาฟีบะกนีฮอิลัยยูมยุบะซุนลาบิซาเี่ยแปลว่าคงอยู่อยู่ลาบิซาแปลว่าคงอยู่ ฟีในบัตนุนบัตนิฮีท้องของมันอธิบายยังไงนบียูนุสคงอยู่ในท้องของปลากี่วันอีลายาวมีจนกว่าจะถึงวันยุบอาซูนถูกให้ฟื้นขึ้นถ้าไม่สารเสรินต่ออัลลอฮ ถ้าไม่กล่าวเลออิลาฮ์อิลลาอันตะฮสุบฮานะกออินนีกุนตูเมนอัลลอเลมีถ้าไม่กล่าวคํานี้ไม่นึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่านะลาลาบีซาเขาจะอยู่ไหนฟีบัตเนฮีในท้องของป่ากี่วันมันจะสามวันมันจะสี่สิบแล้วมันจะเจ็ดแล้วอิลายาวมิยุบอาซุนจนกว่าจะถึงวันสิ้นโลกวันที่ออกมาเพราะกล่าวเนี่ย ถึงอยู่จะให้หยุดแค่เจ็ดวันให้สามวันสี่สิบวันออกแหละเห็นไหมนี่อธิบายให้นบีฟังให้พวกเราฟังว่าความลําบากเนี่ยมาเจอกับเราวันนี้นี่ยบางคนอยู่สามวันลําบากเดี๋ยมก็หายบางคนก็สีวันมึงบาปเยอะมัก็สี่สิบคนก็เจดวันมันเคยนมาเลยมันเคยสู้อยู่เลยเอามาไปเจ็ดวัน ผ่านไปแล้วสี่สิบวันเจ็ดวันสามวันไม่เปลี่ยนแปลงอืมเป็นนี่กูเล่นหนักละตอนหนตอนตายอะอากิโนะดาวะก็เอาไปใช้เหมือนกันนะออกออกได้นะออกออกสามวันเจ็ดวันสี่สิบวันผมจะผมุผมคุยออมาแล้วก็เอาในเรื่องอย่างนี้เอาไปใ ช, นะช้ในชีวิตดาวะประจำอืม <c oughs> ลาลาบิซาฟีบาปนีอิลาัยาอุมียุบาซูนเขาคงอยู่ในท้องของมันจนจวบจนวันถูกให้ฟื้นขึ้น อ, อัลลอฮเอามาดูสาบคาว่าบาตนลนแปลว่าท้องผมเช็คในอุรานนะในท้องเนะี่ยมีประมาณเจ็ดแปดครั้งเอาเล่าที่จำเป็นจำเป็นนะ เด็กที่อยู่ในคันมารดา แล้วมีสอฟ้าถามว่าถ้าฉันมองมะปะฉันนี่นะวันละร้อยครั้งเนี่ยผลบุญจะได้ไหมนี่ว่าน้าผลบุญของคุณได้ก็ร้อยครั้งเหมือนกันเท่ากับหัดทำอุมร้อแต่ทำหัดทำได้เลยละนี่มีตาทำอะไรหูทำอะไรกปน้องถ้าเราอ่านกุรอ่านได้ข้อเตือนใจเยอะทำได้เลยละเอาต่อมาอายะที่สุดท้ายทำได้เลยละ ละกันอีอย่างหนึ่งกระเพาะอาหารเนี่ยอยู่ในท้องใช่ไหมนบีสอนนะผมอัลฮะดิษ ผ, ผมงงเลยนะกระเพาะอาหารของเรานั้นนะเหมือนกับภาชนะที่อยู่ในครัวเรา อ, อยู่ในรกระมังจานถ้วย แต่ก็เพราะอาหารนี่นะเป็นภาชนะชนิดหนึ่งที่อัลลอฮฺเล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนกระเพาะอาหารเปรียบเสมือนภาชนะที่อยู่ในครัวภาชนะที่อยู่ในครัวนี่ใส่อาหารเต็มเท่าไรนะภาชนะเสียไหมเสียได้ไม่เสียไม่เสียกับกะละมังไม่เสียอินบีเล่านะภาชนะที่อยู่ในครัวเอาอาหารใส่ไปเท่าไร่จะล้นหรือเต็ม จะแช่เอาไว้กีวก่วนันกี่วันก็ตามแต่ภาชนะในครัวมไม่เสียแต่กระเพาะของคุณกระเพาะของเราจะอยู่ในท้องเราถ้าใส่อาหารเต็มกระเพาะตรงนี้เสียครับนบีเล่าเองนะวิอาอุชา r i นวิอาเปีภาชนะชารินบา ว, วัชชกินอาหารเต็มกระเพาะเมลัยนะกระเพาะอันนี้ไม่ต้องการไม่รับครับเห็นยัง พูดเรื่องบัตรเรื่องทองเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยกินตามนาบีนบีไม่ทานเยอะยุดก่อนอิ่มใช่ไหมแต่เมะอเราญาติน้องเรากินไปเลยเอิ่มแล้วคอยหยุดเป็นเป็นทุกคนบาบูบายบ่กว่าห้าโรค ผมว่าขอว่ามาวยอัลลอฮฺมัชยิอันตชาฟีลาชฟัยลาชิฟะฮ์ฮะมดุลิลละการเยี่ยมคนพิศนันห์นะลาลาบีสาฟีบาตนีอิลายาูมิยูบาซูนถ้าไม่นึกถึงอัลลอฮฺนะเขาคงอยู่ในท้องปลาจวดจวบจนวันถูกให้ฟื้นขึ้น อยู่เป็นไมยิดอยู่ในทองปลาให้ไหมวันนึกึงอัลลอฮ์มาอะไรอัลลอฮ์ให้ความระบากมาพบแค่3ามวันเจวันอย่างมากก็สี่สวันอัลลอฮ์ก็คลายออกมาหมดเลยเอา้าวิธีเอาเอาคนออกจากจากปากปากอะไรนะทองทองปลาวานเอาลอนเล่าให้ฟังเลยฟานาบาสนาหูบิลอรอวะหวสตี ฟานบาสนาหูเปลอราวะฮุวาสฺคีมนาบาานัฎานีแปลว่าเราได้น า, นาบัฎาแปลว่าโยนหรือทิ้งหรือควา้างนาบัฎาเนี่ยนาบัซนาหูเราได้โยนเขาเราได้ทิ้งเขาเราได้คว้างเขาแต่คุณอ่านแปลดีนะของอาจารย์เด็กแปลว่าเราได้ ซัดเขาขึ้นขึ้นฝั่งเราได้ซัดเขาขึ้นหลังจากพอปลาคลายมา่มเอาอะไรนะเอานาบียูนุสเนี่ยไปไว้ที่ไหนไปไว้ที่ฝั่งบิลารบแปว่าที่โลง่งที่โลง่งอยู่ในทะเลอยู่ในมหาสมุทรไปน้องพอคลายนาบี อยู่มุดออกมาก็ไปไหว้ในนะในที่โล่งชายชายทะเลชายหาดเดี๋ยเล่านะเล่าละเอียดเลยนะว่าหัวสกีออกมาจากท้องท้องปลาแข็งแรงหรือแย่สกีมไไ่เป็ไรป่วย คำว่าสกีมในคุลาอยูสอ่สองครั้งอีกครั้งหนึ่ง น, บ, นบีอูนบีบรอฮีมพูดตอนที่คุณพ่อญาติพี่น้องบอกอิบรอฮีมไปกราบพระเจ้าอยู่บน อ, อยู่ในอะไรอะไรอะไรอยู่ในอยู่มั่นนอกเนื้องกันนะฉันไปไม่ไหวอนาสตีฉันป่วย น บ, บียูนุสก็ป่วยแต่หลังว่าอยู่ออกมาจากท้องปลาเนี่ยมันจะแข็งแรง น, นะเห็นไหมนี่ดีว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ขมือบแล้วก็กลินลงไปนะเป็นอาหารเป็นย่อยอาหารนะนี่อัลลอฮ์ให้ออกมาอัลลอ์เป็นคนนะแต่ว่าสกีป่วยพอป่วยแล้วเนี่ยเป็นยังไงอ่ะต้องรักษาเงินยังไง่ปนะดูคำอธิบายอายะอื่น ล اؤ ล่ ن ر ر م م อันตดาล็อกห ن นิยมตุมมิลรับบ ب ห์ลาหนับดะห์ลาหนับดะบาระหันสุระอัลกัลกัลัมธิบ่านีีถ้าไม่ใช่เพราะความการุนจากพระพุอภิบานของเขาได้มาถึงเขาตดาล็อกหูนิยมตุมมิลรอบบิห์ ถ้าไม่ใช่เพราะความการุณจากระผู้อภิบาลของเขาได้มาถึงเขาแล้วก็ถูกซัดขึ้นไปบนที่โล่งว่าหัวมาซมุมเขาเป็นผู้ที่ถูกตำหนินะครับกล่าวร้ายตัวตัวเองนะนะไม่ได้ตำหนิใครถือมล้วลวิธีที่จะเอาคนให้ปลอดภัย จากการจมนะมันต้องขึ้นฝั่งใช่ไหมพอขึ้นฝั่งล้วไม่สบายนายะอื่นอธิบายอย่างนี้นะครับมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งคล้ายคกับตน้นต้นฟักทองหรือว่าต้นน้ําเต้าอมันก็เลื้อยมามาคุมร่างเอาไว้และอันั้นมันมียาด้วยอะไรด้วยถึงนบีชอบชอบกินน้ําเต้า เพาทำให้สศกภาพงเยเนี่ยเลาในคีรอัลกุรอานให้นบีอุมัดฟังให้พวกเราฟังฉะนั้นถูกทดสอบจอากอัลลอ์อัอลลอฮ์จะม่ให้ตายใช่มเราก็จะส่งยามาเห็นไหมเห็นอย่างครับฉะนั้นนะยาทั้งหมดมาจากอัลลอ์ผ่านคนนั่งผ่าบริษัทนี้บริษัทนี้แต่บริษัทยิวเนี่ว่ใจไม่ได้เพราะมันทำลายคนบริษัทมุสลิมของชัวนิดนี่ คำว่าสกีมมีกี่ข้างนะครับนะ้าสองข้างนะนบีอิบราฮีมพูดใช่ไหมอาณาสกีมมูฉันป่วยอันนี้ไม่ได้พูดอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่านบียู่นุนั้นออกมาจากท้องปลาป่วยแล้อัลลอฮ์รักษ า, า ย, ยังไงก็อาทิตย์หน้าครับอก่อนจะจบพี่น้องวิธีทําสอนเราก็โดยโดยไม่ต้องใช้เงินเอาไหม <laughs> นบีสอนนะครับอุลมามะก็รวบรวมมาดีห ให้ยิ้มนี่สุนารภอภิทั้งหมดยิ้มยิ้มกับภรรยาก่อนยิ้มกับลูกก่อนยิ้มกับญาติพี่น้องเราเห็นหน้ายิ้มก่อนแล้วก็ยิ้มก่อนแล้วก็สลามทีหลังเรื่องเรื่องที่สองพูดจาดีๆกับคนในครอบครัวเรื่องที่สามให้อนภะัยคนเยอะๆ เ, เรื่องที่สี่เยี่ยมคนป่วยว่างผมได้แล้วนะไปเยี่ยมบาบูบายมนาะ เรื่องที่ห้าให้เกียรติมนุษย์ให้เกียรติสึ่งอิครามุน่าสให้เกียรติกันเลี้ยงอาหารกันนะครับให้หัตถยาการของขวัญให้กันเลซื้อโต๊ะสารบานแจกกันซื้อหมวกให้กันซื้อผ้าสรงแจกกันเอา้าทำไปไปเนาะก่อนตายเนี่ยพว่อูกบ่าวคนที่ตายทุกคนเนี่ยนะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะ บนตอนตายนะกาเฟ่นะบนอย่างเนึ้อหมูมินมุสลิมนะโบนอย่างนะ ม, มุสลิมบนอย่างงี้อัอลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งอลัลลอฮ์ถามถามาทําอะไรละอัสซัดดะกอนนะจะมาบริจาคคนกาเฟ่ม่ได้พูดอย่างงั้นอลัลลอฮ์จะให้ฉันได้เกิดมาอยากตายก่อนก่อนเป็นมุสลิมก่อนภาษาต่างกันนะ แต่ขอมุสินเนี่ยร้อน เ, เล่าเองนะอยากขึ้นมาสักแป๊ดเดียวนะสักหนึ่งนาทีจะบริจาคเต็มเลยว่ากับทำบุญทำบุญทำบุญก็ญเห็นแล้วว่ารางวัลจากการบริจาคนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนข้อที่หัวให้ขอดูอายหะ่เป็นริสเป็นเนยเป็นซอนดะกอ้อที่อะไรนะที่ไปหมดอายุข้อที่เจ็ดพี่น้องขจัดของที่เป็นอันตรายตามทางออก ข้อที่8เชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอห์และรอซูนและฮะซุน่านาบีด้วยข้อที่9นะครับช่วยกันในางนานศาสนาขอ้อข้อที่10เตือนกันอันนาซิฮะย่าดานะลูกก็ยาดาพระยายาดาเตือนกันด้วยกันพูดที่ดีสุ Allah, บฮานะกลุมะฮัมดิกะสุลล่าอิลลฮ์อิลาฮอันกอัสลัุกะวะตูบอิไลัลลอฮะลามุฮัมมัดะลอลฮิวาซบฮิอัะลฮัมดุิลลาฮิรบบิ o m in t e van.